อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอวบคือ422หนึ่งภิกษุยังไม่ถูกสวดสมณภาพสองภิกษุผู้สละ3สามภิกษุวิกลจริตสี่ภิกษุต้นบัญญัติอริทฐาสิขาบทที่แปดจบ